จเจริญชุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้พระอาจารย์สิงห์นิสุธทวัดพระพุทธบา ท, ท่้ำป่าไข่อำเภอรีจังหวัดลำพูนจะได้มาเล่าเรื่องโลกหน้าในจริงให้ฟังเลอ่อเด็กหญิงยุคอดี เธอเล่าว่าเมื่อเธอตายไปแล้วเธอได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ไปอยู่กับท่านแม่และท่านพี่อีกสี่คนสภาพของสวรรค์นั้นต่างจากมนุษย์โกนี้มากคือดีกว่ามนุษย์โสด์ในหลายล้านเท่าที่สวรรค์นั้นมีอากาศดีที่สุดเลย สบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีฝนอากาศสว่างสวยตลอดเวลาเป็นความสว่างสวยที่ไม่มีพระอาทิตย์เป็นสิ่งให้แสงสว่างไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันสพพสัต ท, ทั้งหลายต้องเวียนว่ายกายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดสวยสุข สวัสดิ์ทุกกรรมวิบากของใครของมันหากผู้ใดปรารถนาค่อยดุจพ้นไปจากวัฏสงสารคือการเวียนตายเวียนเกิดนี้ก็ต้องเชื่อตามคำสัง่งคาสอนขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติประามท า, ทางที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว คือการทำบุญให้ทานเพื่อละความโลภรักษาศีลเพื่อละความโกรธบมเพ็ญภาวนาทั้งสมถะและอิปัฏณะเพื่อละความหลงถ้าหายหลงหมดสิ้นเมื่อาดแล้วก็จะพ้นทุกข์กันเมื่อนั้นจงได้เข้าสู่นิพพานเพราะหายจากความโง่ความหลงนั่นแหล พระนิพพานนั่นเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วพระนิพพานนั่นเป็นของเที่ยงเป็นของเมืองเหนือว่าเป็นแก่นเป็นสานสารางวัฒนิพานังพระนิพพานเป็นแก่นเป็นสานประมังสุขขังนิพานังประมังสุขขังพ่ะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง อย่างไม่มีสุขใดๆจะมาเสมอเหมือนได้แต่คนมากคนรอทั้งหลายยังมีความสงสัยก่อนอยู่มากๆว่าตายแล้วจะเป็นยังไงนาะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนาะโลกหน้ามีจริงหรือไม่านาะนรกสวรรค์ภพกอนนิพนพานมีจริงจงหรือเปล่า บุญบาปม่จร right? anyway. ิงจริงหรือบางรายบางท่า่ก็ไม่คิดไม่นึกอะไรเลยแหละอยู่ๆวันต่่ออวนยูๆเปป็็นนนนววััเเท่านั้นกระดาษใดที่ยังมีความสงสัยอยู่ยังไม่นึกไม่คิดอะไรเลยอย่างเนี้นะองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นมิจฉาทิฐิคือเป็นคนใจบอดจยังไม่พบแสงสว่างก็จะต้องเกิดไปนานที่สุดจนไม่รู้ว่าจะนานกับเท่าไร่แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจัดพยากรณ์ได้แต่มีบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ระลึกชาติได้ก็มี ที่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาก็มีนานๆจะมีอยู่บ้างเมื่อคนก่อนนั้นนะก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้บันทึกกันไว้เล่าปันไปเล่าปันมาก็หายไปหายไปแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้เขาบันทึกกันไว้และนํามาเล่าสู่กันฟังที่เขาเล่าให้ฟังนั่น การเวียนว่าใจเกิดนั่นอ่ะมันมีจริงๆบางคนก็มาเกิดที่เก่าแต่ว่ามีน้อยส่วนมากแล้วมักจะไปเกิดที่ใหม่ที่พ่อใหม่แม่ใหม่บ้านใหม่เมืองใหม่โน่นเน่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วสุญตายแล้วหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะ เออวันนี้หลวงพ่อก็อจะนำเอาเรื่องเด็กหญิงอุกราชศรีนินซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ระลึกชาติอดีตได้มาเล่าให้ฟังนะจะได้รู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดว่ามันมีจริงๆท่านที่ไม่มีความประมาทจะได้เลือกที่ปล่อยไว้ก่อนแต่ยังเมื่อมีลมหายใจยังไม่ตาย อยู่นี่นะังใจรรบฟังเน อ, อที่หมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลวังดวนอำเภอคุณพินจังหวัดสุราช ธ, ธานีอันเป็นที่อยู่ของนายชรนานและนางแอ้วสีนินนางแอวได้ตั้งคันลูกอีกคนหนึ่งครบกาหนดแล้วก็เกิดออกมาเป็นผู้หญิง ก็เลยใส่ชื่อว่าเด็กหญิงอุรารัตเด็กหญิงอุรารกกลัตเจริญวัยมีอายุญญได้สามปีกว่าเธ อ, อก็ระลึกชาติได้ว่าเมื่อชาติก่อนเธอเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันมีชื่อว่าเด็กหญิงยวดีริมสวัสดพ่อมีชื่อว่าพ่อชีแม่มีชื่อว่าแม่เดือนริมสวัสดบ้านของพ่อของแม่ในชาติก่อน เขาอยู่ห่างจากพ่อแม่ปัจจุบันประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นชาติก่อนเมื่อเกิดเป็นเด็กหญิงยั่วดีริมสวัสดิ์เธอเกิดเมื่อปีพศ2506และตายเมื่ออายุได้แปปีสาเหตุของการตายนะในเดือนเมษาพศ2514เนื่องจากวันนั่นเด็กหญิงยั่วดีได้ไปอาบน้ำที่ลำห้วย ไม่ห่างจาก บ, บ้านเท่าใดนับเมื่ออากหนะ้าขึ้นมาแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียลาไปทั้งห่างใจสั่นวิ้วิ ว, วคลายจะเป็นลมแต่เธอก็พยายามเดินมาเดินมาจนถึงบ้านเมื่อถึงเขตบ้านแล้วเธอเ็เรียกหนาะแม่ว่าคุณแม่คุณแม่รี บ, บ, บมาอุ้มลูกหน่อยเนะ้อลูกไม่สบายมากเนะ้อว่างานนะ แม่ก็รีบรบมาถามว่าอ้าวลูกเป็นอะไรนะอะลูกเป็นอะไ ร, ระเก็ต่อว่าเออลูกอ่อนลูกล้าไปทั้งตัวหมดแล้วแม่ใจมันสั่นวิววิวเหมือนก็จะเป็นลมแน่แม่ก็มารีบปุ้มเอาไปนอนพักที่ใต้ขุนบานได้ยีนวดไอ้ก็หมดสติแล้วก็หมดลมหายใจไปเลย เนื่องจากหัวใจวายเสียชีวิตแบบกระทนหันโดยไม่มีผู้ใดมาทันให้ความช่วยเหลือได้หลังจากตายแล้ววิญยญาณยของเด็กหญิงยวดีได้ไปเกิอดอยู่บนสวรรค์เธอเล่าว่าได้ไปอยู่กับท่านแม่และพี่ๆอีกสี่คนสำหรับบนสวรรค์ น, นั้นนะมีอากาศเย็นสบายพอดีพอดี บอกไม่ถูกว่ามันสบายขนาดไหนนะคือมันไม่รอ้อนไม่หนาวนะอ่ารู้สึกสบายกันเหมือนกันทุกท่านที่อยู่บนสวรนั้นมีสวนสวยงามมีสงสวยงามมีอากาศสว่างสวัยตลอดเวลาเป็นความสว่างสวัยแบบย็นตาเย็นใหญ่ไม่ใช่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ายๆเลยไม่เหมือนอากาศในโลกเรานี่เลยนะมีบ้านที่อยู่ของคุณแม่และพี่ๆที่บนสวรรค์นั่นนะโอ้โหกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็สวยงามที่สุดสวยงามขนาดเลยแต่เป็นบ้านสีชมพูสดใสทั้งหลังเลยเธออยู่บนสวรรค์ไรยะสั้น ประมาณสองสามนาทีเท่านั้นเลยนะแต่ว่าในเมืองโคนเนี่ยผ่านไปทั้งเก้าปีแล้วเธอก็ได้ลงมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นเด็กหญิงอุรารัตสีเนินเมื่อวันที่สิบเจ็ดเดือนเมษายนพศสองพัห้ารอยี่สิบสามและเมื่ออายุได้สามขวบ ก, กว่ า, วาเธอก็ลึกชาติได้แล้วเด็กหญิงอุรารัตได้เริ่มบอกเล่าให้พ่อแม่ในชาติ ปัจจุบันฟังว่าชาติก่อนโน้นนะเธอเป็นผู้ใดพ่อแม่มีชื่อว่าอย่างไรแต่พ่อชำนาญและแม่แอวไม่เชื่อคิดว่าเป็นความไม่เป็นความจริงคิดว่าเป็นอารมณ์เพอ้อเจอ้อขุดเพอ้อเจ้อมากกว่าแต่ว่าในวันหนึ่งเมื่อพ่อชี้ในชาติก่อนของเธอ เดินผ่านมาทางบ้านนั้นเด็กหญิงโอ ร, รัตเห็นเด็กวิ่งเขาา้าบาด้วยความติดใจแล้วก็ร้องตดังๆว่าคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออ่าพ่อชี้ก็ตกใจนะแปลกใจว่าอะเด็กที่ไหนอนะ่ะมาเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเตียถามว่าเออลูกเอ้ยลูกว่า ย, ยัางไงนะใครเป็นพ่อใครเป็นลูกกันแน่เนะี่ยฮะ มันเป็นยังไงต้องบอกให้รู้หน่อยสิเด็กหญิงโอุร า, ราลัตก็เลยเล่าเรื่องในชาติปางก่อนให้ฟังเป็นหมดแล้วมันก็ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่างใช่ด้วยทีนะเออทำให้นายชีขึ้นที่สุดนะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็วเลยไปเล่าให้นางเดือนภริยาฟังแล้วก็ววบอกให้นางเดือนแกล้งเดิน อ่านไปทางนั้นบ้างนะให้เด็กเห็นนะมันจะเป็นจริงตามที่เด็กว่าหรือเปล่าอ่าเมื่อนางเดือนภรรยาเดินไปที่นั้นอีกนะพอเด็กหญิงอุอราต์มองเห็นเท่านั้นนะก็ตะโกนขึ้นมาด้วยความดีใจอย่างนี้ว่าคุณแม่คุณแม่ร้องกอวิ่งมาหานะ อ่าพร้อมกอดขาว่ะแม่เดือนแม่เดือนหาลูกยิ่จ้าแม่ลูกคิดถึงแม่คิดถึงมากมากแม่เดือนจ้าอ่ะอ่าก็เขากอดก็ดขาเลยนะเนี่ยแม่เดือนก็เลยพุ้งขึ้นมาจุชมดมแก้มนะแล้วกอดาวว่าอุยลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ว่ะนะหลังจากนั้นังพ่อเก่าแม่เก่าพ่อใหม่แม่ใหม่นะ พอพากันมานั่งสนทนากันถึงเรื่องการระลึกชาติของเด็กหญิงอราลัตนั่นส่วนเด็กหญิงอราลัตขอได้อ้อนวอนพ่อแม่ขอไปเที่ยวบ้านเดิมพ่อแม่ทั้งสี่จึงตกลงพาไปบ้านเดิมเพื่อพิสูจน์ความจริงอีกเมื่อทุกคนพาเด็กหญิงอราลัตมาถึงบ้านเดิมแล้วเด็กหญิงโอราลัตก็จําได้ทุกสิ่งทุกอย่า ง, างเธอถามถึงบ้านเก่า ที่มีใต้ทุนสูงคนเดินลอดได้ว่าไปไหนสละ่กพ่อเขาบอกว่าพ่อรือแล้วส่างหม่ส่วนของใช้ต่างๆของเธอในชายก่อนก็จจำได้หมดไม่ว่าเสื้อผ้าของเล่นแม้กระทั่งปิ่นโตใส่ข้าวปลาอาหารไปทานที่โร ง, งเรียนนะและเมื่อหมูญาติๆทั้งหลายมาเธอเธ อ, อก็จำได้ทุกๆคน่ะ ยกเว้นแต่น้องๆที่เกิดมาที่หลังเท่านั้นทำให้พวกญาตยิทั้งหลายด่างดีอกดีใจประกัมาลุมกอดลุมดม <c oughs> ทีนี้เธอก็รู้สึกมีความมุกขที่โดอนะ่ะยิ้มแก้มแทบปรีนะวันที่สุดว่าชี ก, ก็นำเอารูปถ่ายของเด็กหญิงต่างๆมาวางข้างหน้าเธอนะมากคนถามว่าอ้าวลูก ลองเลือกดูซิในชาติก่อนนั้นนะเธ อ, อเกิดมาเป็นลูกพอ่อมันเป็นลูกอะไรเธอลองลูกลองลอ ง, ลองหยิบอามาให้พ่อดูหน่อยนะลูกนาเธอก็ไม่รังเร่เลยนะไม่พิจรารณาแหละคว้าจับเอารูกของเด็กหญิงยั่ว ด, ดีขึ้นมาแล้วก็ยื่นให้พอ่อให้แม่ว่าอ้าวนี่แหละลูกของหนูละ ที่ลูกที่หนูเกิดมาในชาติก่อนนะตอนั้นแม่นะโอโหท่านผู้ฝังเถลิงทลากหลายเมื่อเธอพิชุดแบบนั้นนะคุณพ่อชีคุณแม่เดือนโอดไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้นะลองไห้ออกมาโว่โว่โว่โว่โวองไห้าอย่างไม่อายคู่อายคนนะนะแต่ก็เล่ารล้วว่า ลุกาลูกจ๋าลูกพอลูกแม่วางานนะลูกหัวลูกหลังลูกแลกกอดรกหอมแก้มนะโอ้ยแบบว่าดีใจหรือตื่นตันใจแบบบรรยายให้ใครฟังไม่ถูกนะอารมณ์จิตของพ่อและแม่เมื่อได้มาพบลูกที่มาเกิดใหม่นานเด็หญิงอุราลั์จำได้หมดแม้กระทั่ง น้ำหวยที่เธอไปอาบแล้วไม่สบายเกือบจะกลับมาไม่ถึงบ้านนะะจําว้แม่กระทังางวิญญาณเมื่อออกจากร่างไปแล้วอ่าแล้วก็ญาติๆนำเอาทรั์ของเธอไปที่ป่าช้าเอาไปฝังไว้ที่ใดเธอก็พาพวกญาติไปดูสถานที่แห่งนั้นอีกซึื่อมหลับคอนจิด สลักชื่อของเธอก็ยังมีอยู่แต่โศกนาฏย่าๆได้ขุดออกไปเผาแล้วนอกจากนั้นนะเด็กหญิงโอรารัตยังระลึกชาติถอยหลังไปอีกชาติหนึ่งคือก่อนจะมาเกิดเป็นเด็กหญิงยวดีนั่นเธอก็มาเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่จงชื่อตัวเองและพ่อแม่ของตัวเองไม่ได้แล้วฐานฐานะของพ่อแม่ในสมัยนัน่นนะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือหาเช่ากินข้อมานะข้าวกินเช่ า, าขาดขาดเกินเกินนะอายุเธอได้ทั้งสิบปีแล้วยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหนังสือกับเขาเลยอะเพราะพ่อแม่แม่พร้มอมแล้วก็ตายเมื่ออายุได้สิบกว่าปีท่านน่ะสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือดีโอราลัฐจำถุงฝังศพของเธอในชาตินั้นได้ เคยจิงพาพวกเทือดไปดูหลุมศพเก่าแก่โบราณอยู่หลังโรงเรียนบ้านท่าม่วงอำเภอพุนพินจังหวัดชัราช ธ, ธานีห่างจากบ้านปัจจุบันห้ากิโลเมตรต้องเดินลัดป่าละเมาะเข้าไปสถานที่นั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ขอเลิกใช้แล้วนะ อ่าถ้าเธอระลึกชาติไม่ได้เธอจะเข้าไปพาเข้าไปถูกเลือกเลืกหญิงโอราลักษ์เล่าว่าหลังจากเธอตายจะชาติที่จําชื่อไม่ได้แล้วนั่นก็ได้มาเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีและเมื่อตายจะไปหญิงยุวดีแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเด็กหญิงออราลักษ์มีอย่างพิเศษหรือว่ามีจิตเป็นทิพ ตลอดเวลาสามารถพูดกับท่านแม่และที่พี่ที่อยู่บนสวรรค์ได้โดยไม่ต้องหลับตาหรือเข้าสมาธิเลยเธอจึงขอให้พ่อแม่ในชาติปัจจุบันทำบ้านหลังเล็กๆทรงไทยซึ่งเธอออกแบบเองเอาไว้บนบ้านของเธอเธอเอาไว้เป็นที่ต้อนรับท่านแม่ท่านที่และเพื่อนๆน ที่ขอลงมาจากสว่า์มาเยี่ยมเธอเสมอเสมอเธอจะขอเครื่องต้อนรับมีข้าวดอกดอกไม้ข้าวปลาอาหารตูกส้มของหวานไปไว้ที่บ้านนั่นแล้วเธอก็จะนั่งคุยนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดใครเห็นท่านแม่